สิ่งหนึ่งที่เวลาเรามาเรียนรู้ในคําสอนของพุทธเจ้ามาปฏิบัติทําแล้ว เป็นกําลังในใจในที่จะได้หรือว่าปฏิเสธสิ่งที่มันจะทําให้เราโกรธได้การปฏิเสธนี่แหละท่านฝั่งต้องใช้กําลังใช้กําลังใจๆเราอ้วนแล้ว ขออีกคําชิมอีกสักนิดนึงอย่างงี้พวกนี้เป็นการยั่วโยนที่เราๆซึ่งเค้ามา แต่พวกเราไม่มีกําลังที่จะจะปฏิเสธบางคนอ้างโดยๆเอาปืน คุณถึงทําแต่มันจะมาอ้างมาบังคับไม่ได้เพราะว่าเราเองนี่แหละที่ว่ายอมให้สิ่งนั้นๆมันหรือว่าเราลุ่มหลงมัวเมาก็ เหมือนเราจึงต้องฝึกทางฝั่งให้ใจเรามีกําลังกล้ามเนื้อเราอ่ะแขนเรา เป็นอาหารของใจธรรมะนี่แหละจะทําให้ใจของเนี่ยมีกําลังวางชาขึ้นมาแล้วคุณได้อาหารแล้วนี่ บางทีถ้าเราเจอผัสสะที่มันมันไม่น่าพอใจเค้ามาด่ามาว่าเออถ้าคนนี้ด่าว่าแต่แต่ถ้าบางคนคนอื่นที่เรายังวางไม่ได้เค้ามา คำถามก็คือว่าเอ่อทําไมถึงเป็นอย่างนะ plan ไอ้ตรงจุดที่จิตมันจะมีเครื่องรักษาให้มันสบายอยู่ได้เนี่ยมันจึง แล้วใช้อานาปานสติบ้างใช้พุทธานุสติบ้างๆก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันประเด็นคือต้องมีสติผูกจิตเอา ถ้าพวกๆมากเนี่ยตรึกตรึกเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นดังเช่นว่าถ้า รักใครชอบพอตายไปเราคิดถึงทีไรแม่งมันช้ำใจทุกทีเนี่ยเคยเห็นคนที่อกหัก ทำไมเราถึงจะไม่คิดได้ทำไงเราถึงจะเลิกที่จะตระตึก ทีนี้เราจะฝึกฉีดไว้สติให้อยู่ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว แน่คุณอกหักมากคุณจะไปคิดถึงอีกฝ่ายนึงมันก็ช้ำเท่านั้นฟังนะคุณทําโปรเจกต์ขึ้นมา ในคิดแล้วมันก็เอามิมมาปักออกตัวเองอยู่เรื่องที่ไม่พยาบาทเช่นว่าไปในเมื่อเรา การเถิดๆเราเห็นของสวยงามมากทางกามมากจิตเราก็นอนไป เนี่ยเป็นส่วนประกอบต่างๆของร่างบ่อยๆบ่อยๆจิตมันทั้ง 100% ในชีวิตเขา แล้วคิดอะไรไข่ช้ําใจเราช้ําใจเองไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ๆมีเยอะแยะให้คิดเหนือเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยความพยาบาท ไม่เบียดเบียร์มีความดําริในการหลีกออกจากกระทบตุ่มที่จิตของเรามีพัสสะเกิดขึ้นแล้วเราจะสามารถที่จะไม่ไหลไปตาม อย่างเมื่อที่เราเปลือยตัวไม่ได้ออกกําลังไม่ได้กินอาหารที่ถูกต้องมันก็อ่อนขึ้นมากล้าม ให้สรรหาสิ่งดีๆเข้าในใจของเราแทนตริตรึกเรื่องหรือว่าการที่ละความเพลินฝึกให้จิตมีสติ ข้อที่เข้าทางเนี่ยมีผลดีหลายอย่างทีเดียวๆก็ ในซะเมเรามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นทำไปทำไปอยู่อย่างไม่หยุดยั้งทำไป ให้อยู่กลางแม่น้ําอยู่ในกระแสอยู่แล้วไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันออกทะเลได้เหมือนกันใจของเราเนี่ยเราทําไปทําไปเนี่ยถ้าตกถึงกระแสเข้าที่สบาย นี่เหมือนได้ไทยเอาน้ําจากแม่น้ํารวมกันบ้างมีน้ําเจ้า 2-3 หยดน้ํา 2-3 หยดนี่เป็นความทุกข์ที่เรายัง ผลมันยิ่งใหญ่มากผลมันมันดีมากแล้วมันคุ้มค่ากับการฝึกคุ้มค่ากับการทําคุ้ม เราทำไปเรื่อยๆอย่างนี้จิตใจเราสุขเรา